จเจริญพรชั้นสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ทางทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส6หมกราคมพุทธศักราช5 5 9เป็นวันพระวันธรร ม, มสวรรณวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งเอกวันหนึ่ง าะจะได้มีการกะระทาเหตุที่จะนำความเป็นสิริงมงคลมาให้แก่ชีวิตนั่นก็คือกาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันฟังธรรมไว้ให้ทุก เจ็ดวันหรือแปดวันเพื่อที่จะได้รับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านำเอาไปนำพาชีวิตที่ยังมืดบอดของพวกเราให้ไปในสู่ทางที่ชอบที่ชอบไปถางสู่ทางที่มีแต่ความสุขและความเจริญการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่จะนําพาชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้อยู่ห่างไกลจากความทุกขจากความเสื่อมเสียทั้งหลายการฟังธรรมจะให้เป็นมงคล น, นั้นจําเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าฟังกายวาจาใจสงบก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรม อยู่5ประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังทมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะขับจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หายไปจากใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ 5. จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือมงคลหประการด้วยกันหรืออนิสงฆ์หประการจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบนี้จะไม่สามารถน้อมรับธรรม ้าไปสู่ใจได้เช่นเวลาฟังธรรมเราก็ทำโน่นทำนี่หรือคุยกันหรือใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทรมากก็จะเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปจะไม่สามารถเข้าไปสู่ในใจได้ เพราะใจไม่ได้ตั้งใจฟังใจมัวไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ค, คุยกันเรื่องนั้นคุยกันเรื่องนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่สามารถที่จะน้อมเอาทำที่กำลังแสดงอยู่นี้เข้าไปสู่ใจได้เมื่อฟังแล้วก็จะเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาฟังไม่รู้เรื่อง ที่ไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนั้นเองประโยชน์ที่ผึงจะได้รับห้าประการก็เลยไม่ได้รับเพราะว่าจะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่เข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยินพอใจบัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันเรื่องนั้นคุยกันเรื่องนี้ทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เสียงธรรมก็เลยกลายเป็นเสียงนกเสียงกาไป เข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่เกิดประโยชน์ผู้ฟังจะไม่ได้รับความรู้นั่นเองแต่ถ้าตั้งใจฟังกายก็นั่งเฉยๆปากก็ไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกคำพูดของธรรมที่เราได้ยินก็จะเข้าสู่ใจ เมื่อเรากลับเข้าไปในใจแล้วเราพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่สแสดงเอาไว้เราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นที่ถูกต้องหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆและทําให้มีความสงบในความสุดใจธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือเรื่องของบุญของบา เรื่องของผลของบุญของบาปคือนรกสวรรค์เรื่องของกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจว่ามีผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้กระทํากรรมนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้กระทาที่แท้จริงคือใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี่แหละ เป็นผู้กระทํากรรมส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้รับคําสั่งไปเหมือนกับรถยนต์คนขับนี้เป็นผู้ขับเป็นผู้สั่งให้รถวิ่งไปทางซ้ายไปทางขวาเป็นสั่งให้รถวิ่งชนกับคนนั้นคนนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุเขาไม่จับรถยนต์ไปขังคุกขังตารางแต่เขาจะจับคนขับรถไปขังคุกขังตาราง เพราะคนขับรถนี้แหละเป็นคนขับเป็นคนกระทาให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาชั้นใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้ก็เป็นเหมือนคนขับรถคนขับรถนี้แหละจะต้องเป็นผู้ไปรับผลเวลาที่เกิดการกระทาต่างๆขึ้นมารับทั้งผลดีและรับทั้งผลไม่ดี หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นผลบุญก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอาหารหันไปเป็นพระพุทธเจ้ากันนี่อานิสงส์ที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดี แล้วถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอ น, นิสงค์คือผลก็คือจะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุลกายไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทาบาปต่างๆผู้ที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็คิดที่จะทําบา เช่นคิดรักทรัพย์คิดประพฤติผิดกเวณีคิดค่าสัตว์ตัดชีวิตคิดโกโหกหลอกลวงคิดจะเดิ่มสุรายามามพอคิดแล้วก็นำไปสู่การกระทำทางกายทางวาจาต่อไปร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจให้สั่งให้ทำอะไรร่างกายจะทำอะไรไม่ได้อย่างตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้ ร่างกายอยู่ดีๆจะลุกขึ้นไปเองไม่ได้ใจต้องสั่งก่อนแล้วว่าให้ลุกนะเมื่อไแล้วอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะกลับบ้านเนี่ยนี่คือความคิดความอยากต่างๆนี่ก็คือความคิดพออยากแล้วก็สั่งมาที่ร่างกายให้ร่างกายลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปจากศาลาถ้าอยากกินแล้วก็จะสั่งให้ร่างกายไปหาเหล้ามาดื่ม อยากจะสูบบุรีก็สั่งให้ร่างกายไปหาบุรีมาเด่มอยากจะได้ทรัพย์แต่ไม่มีทรัพย์ก็สั่งให้ไปรับไปขโมยไปช่อโปด้วยวิธีการต่างๆผู้กระทำบาปนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจึงไม่มีผลต่อการกระทำบาปหรือบุญเพราะว่าเวลาร่างกายตาย ร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่พวกเรายังมีความหลงอยู่ยังหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันความจริงเราเป็นใจแต่เนื่องจากใจเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปปีร่างเหมือนร่างกายแล้วเราอยู่ติดกับร่างกายมาตลอดเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา เวลาร่างกายตายไปเราก็เดือดร้อนเพราะความหลงเพราะความอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเรานี้ไม่มีวันตายใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้แหละที่ไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ถ้าไปรับผลบุญก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าไปรับผลบาปก็ไปสู่อบายชั้นต่างๆพอผลบุญผลบาปที่ไปรับนั้นหมดไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นี่ก็คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่เรายังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดแล้วก็มาทำบุญทำบาป พอตายไปก็ไปใช้ผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทำบุญทำบาปใหม่ทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วพบชาของเราที่เราได้ผ่านมานี้นับจำนวนเป็นล้านๆเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาที่พวกเราล้องกันให้กันหลังกันออกมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ ถ้าเรามารวมกันแล้วมันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสนุทรงเห็นถึงความทุกข์ของพวกเราจิดดูจะทุกข์ขนาดไหนถึงกับร้องไห้น้ําตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราและจะทุกข์อย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้กับพวกเราสอนให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะการกลับมาเกิด น, นี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขอย่าไปหลงเชื่อความหลงที่มีอยู่ในใจที่คิดว่าเกิดแล้วดีเพราะว่าเราไม่ได้มองส่วนที่ไม่ดีของการมาเกิด เวลาเกิดนี้มีแต่เรื่องราวต่างๆวุ่นวายตลอดเวลาก่อนมาปั๊บสิ่งแรกต้องทำก็ต้องหายใจเองหลังจากนั้นก็ต้องกินเองหลังจากนั้นก็ต้องเรียนรู้อะไรต่างๆทำอะไรต่างๆแล้วก็ต้องดิ้นหล่นต่อสู้คอยรักษาชีวิตให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จะรักษาดีขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดมันก็ต้องตายไปนี่คือความทุกข์กต่างๆที่เราได้จากการมาเกิดความสุขที่เราได้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาปุ๊บก็หายไปเหลือแต่ความอยากความหิวทำให้เราอยู่กันไม่เป็นสุขต้องคอยดิ้นหาความสุขกันอยู่เรื่อย เพราะเราไม่รู้ความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ตรงไหนความสุขที่แท้จริงก็อยู่ตรงที่ไม่กลับมาเกิดนั่นเองและวิธีที่จะทำให้ไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเพราะความอยากนี่แหละที่ทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขให้นั่งเฉยๆสักห้าหกชั่วโมงนี้จะเป็นจะตาย บางทั้งที่นั่งเฉยๆแสนจะสบายแต่กลับชอบไปทุกข์มากกว่าชอบไปล่องลำทำเพลงเต้นแรงเต้นกลาไปวิ่งไปทำอะไรให้มันเหนื่อยให้มันยากลำบากแล้วก็มีความสุขกับความทุกข์ยากลำบากให้นั่งเฉยๆไม่เอาให้ปีนเขาเอาให้นั่งเฉยๆไม่เอาให้วิ่งมาลาทอนเอาวิ่งแล้วมันได้อะไรเหนื่อยจะตายไป วิ่งเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ความสุขที่ได้จากการวิ่งมันก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่เรื่อยๆตราบใดที่เรายัางมีความอยากที่จะทําสิ่งต่ตงตางๆด้วยร่างกายพอ ek, รอจจ่างกายร่างนี้มันตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเรายัางชอบวิ่งอยู่เราก็ต้องมีร่างกายวิ่งถ้าเรายัางชอบเที่ยวเราก็ต้องมีร่างกายพาไปเที่ยว เายังชอบมีสามีชอบมีภรรยาอยู่เราก็ต้องมีร่างกายอันนี้ไปมีสามีไปมีภรรยานะพอมีอะไรแล้วเป็นอย่างไรมันสุขมากหรือทุกมากกว่ากันสุขแป๊บเดียวเวลาแต่งงานกันบันไหนีน่โอ้มีความสุขแต่งไปไม่กี่วันมั่งข้าวไม่ทันดำทะเลาะกันแล้วทุกตีกันแล้วนะเพราะควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่เวลา ไม่พอใจขึ้นมาก็อดไม่ได้ยั้งไม่ได้แล้วก็ความสุขที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปอยู่ด้วยกันต่อไปก็ทนอยู่กันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแยกทางกันไปหรือว่าถ้ารักกันอยู่กันไปก็ต้องมาทุกข์กับความห่วงใยถ้ารักกันก็ห่วงใยกันเวลาไม่กลับบ้านตรงเวลาก็กังวลแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ไป ม, มีอุบัติเหตุที่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วนะหรือว่าทะลักมากๆก็หวงเวลาเขาไปคุยกับคนนั้นคนนี้ก็กังวลอีกแล้วว่าเขามีอะไรกันอีกรึเปล่านะนี่คือความสุขที่เราได้กันได้นิดเดียวได้ตอนที่ได้กันมาใหม่ๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะห่วงแล้วเวลาจากกันก็ ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเองนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขจากการที่เราได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาเป็นคู่ครองของเราหรือได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติของเราเพราะเราลืมมองไปว่าของทุกอย่างที่เราได้มานั้นมันจะเป็นของเราได้ไม่นานนั่นเองเป็นของชั่วคราว ในที่สุดเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องจากกันไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้เวลาเราตายไปนี้เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายที่เรารักแสนรักก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปก็คือบุญกับบาปที่เราทํากันและความอยากที่เรา ทำกันนี้แหละที่เป็นตัวดันให้เราต้องไปเกิดใหม่ไปรับผ ล, ผ ล, ผลบุญผลบาปใหม่เป็นอย่างนี้มานานแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่และก่อนที่เราจะตายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าเราทำบุญได้ละบาปได้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นจะสบายใจของเราจะไม่หิวไม่อยากทำอะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรทานั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ใครจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากกับใครพอเราไม่มีความอยากกคนนั้นคนนี้เขาจะเป็นอะไรเรารู้สึกเฉยเฉยสังเกตดูคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่มีความอยากด้วยเขาจะเป็นเขาจะตายเราเดือดร้อนนั้นเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรามีความอยากด้วยเช่นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเรา หรือคนที่เรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเท่านั้นแหะใจของเราวุ่นวายขึ้นมา ท, าทันทีทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีทุกข์เพราะความอยากแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่ทุกข์กับอะไรวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องหยุดความคิดให้ได้การจะหยุดความคิดนี้ก็ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาหยุด พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธให้มันขยันพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยเพราะเวลาที่เราพุทโธนี้เราจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นไม่ได้เพราะใจของเรานี้จะคิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราบังคับใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป ถึงแม้ว่ามันจะแอบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราอย่าไปสนใจให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปต่อไปความคิดอย่างอื่นมันจะหายไปแล้วใจก็จะว่างใจจะเย็นใจจะสบายที่ใจของพวกเราทุกกานนี้ทุกทุกกันทุกวันนี้ไม่ได้ทุกเพราะคนนั้นคนนั้นหรือทุกเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกเพราะความคิดของเราเอง คนเขาด่าเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ยังทุกอยู่เลยทั้งๆที่เขาด่าคนเดียวด่าไปเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็ไปแล้วแต่เราก็ยังคิดถึงคําด่าของเขาอยู่นันคิดถึงทีไรก็ทุกขึ้นมาทุกขีโกรธขึ้นมาทุกขีในทั้ทงๆ ท, ที่เหตุการณ์จริงนั้นมันผ่านไปต้องนานแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันผ่านเรายาังดึงมาคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีพุโทโธ เราพูดโทพูดโธไปเดี๋ยวเดียวความคิดถึงคนที่ด่าเรามันก็จะหายไปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนั้นก็จะหายไปดังนั้นขอให้เรามาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้ไม่สามารถทำให้หลอกทุกข์ได้ถ้าทุกข์ก็ทุกแป๊บเดียวเท่านั้นเองเขาด่าปั๊บก็จบแล้วทุกแป๊บเดียวเหมือนหมอฉีดยาฉีดปป๊บเดียวมันก็ หายไปแล้วแต่ที่เราทุกมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะเอาคำที่เขาด่าเรามาคิดอยู่เรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์บางทีคิดเป็นวันคิดเป็นเดือนโกรเกลียดอาฆาตพยาบาทด้วยความคิดของเราเองเพราะเราไม่รู้จักหยุดความคิดกันปล่อยให้คิดไปตามอารมณ์นี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาแล้วต่อให้เขาทำอะไรเราเขาก็ทำให้เราเจ็บเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่เขาจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ทางใจได้นี่คือวิธีการที่เราจะดับความทุกข์ใจต่างๆวิธีที่จะสร้างความสุขต่างๆให้กับใจเราอยู่ที่การหยุดความคิดนี่ถ้าใจเราหยุดคิดแล้วใจของเราจะมีความสงบ และจะมีความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่าผู้ใดพบความสุขที่เกิดจากความสงบจากการหยุดคิดจากการหยุดความอยากแล้วจะไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เพราะรู้ว่าของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบทำใจให้หยุดคิดอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตของพวกเราและจะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้หลั่งน้ำตาเท่ากับน้ำในมาหาสมุทรอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาฟังกันมาศึกษากันในวันพระ ทุกวันพระนี้ควรจะเข้าวัดมาฟังคำคาสอนของพระพุทธเจ้าฟังหนเดียวยังอาจจะไม่เข้าใจต้องฟังบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเราจะไม่สงสัยว่าดัลโลกมีจริงหรือไม่มีจริงสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่มีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด มีจริงหรือไม่มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่มีจริงความสงสัยเหล่านี้จะหายไปถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้อยู่ที่การคิดหรือไม่คิดนี้เท่านั้นเองถ้าไม่คิดแล้วก็จะมีความสุขถ้าคิดก็จะมีความทุกข์ ดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าความสุขความทุกข์อยู่ที่ความคิดหรือไม่คิดเราก็มาควบคุมความคิดกันด้วยการจเจริญสติสติก็ตัวที่จะหยุดคิดสติก็คือให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าไม่ชอบพุทธโธจะเอาธรรมโมธรรมโมไปก็ได้หรือจะเอาทั้งสามก็ได้พุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้ หรือจะคิดพุทธทังสารนังกัจฉามิทำมังสารนังกัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิก็ได้ขอให้คิดอยู่กับเรื่องของธรรมะอย่าไปคิดถึงเรื่องทางโลกอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วใจจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาพอไปคิดถึงคนที่เราไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วพอไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ใจก็ร้อนขึ้นมา อยู่ไม่เป็นสุขแล้วแล้วสิ่งที่เราได้มามันก็ไม่ได้ให้ความสุขเราอย่างแท้จริงให้ความดีใจตอนที่ได้มาเท่านั้นเองแล้วก็กลับกลายเป็นความทุกข์ที่จะต้องคอยเฝ้าดูและคอยดูรักษาแล้วเวลาหายไปก็เสียอ ก, กเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้นี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. เขาให้ความสุกรองกับเราแต่เขาให้ความทุกข์จริงกับเรา ทุกพ่อเราไปรักไ ป, ไปห่วงเขาไปห่วงเขาแล้วก็ไปเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปถ้าเราไม่คิดถึงเขาเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปอยากเกี่ยวข้องกับเขาเขาจะอยู่เขาจะไปเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเราไม่คิดถึงใครเลยถ้าคิดแต่ก็คิดแต่ในเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องคิดคิดในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล ถ้าเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลนี้ไม่มีปัญหาไม่ทำให้เรามีความทุกข์ได้แต่คิดด้วยอารมณ์คิดด้วยความรักความชังความกลัวความหลงนี้คิดแล้วจะทำให้เราวุ่นวายใจต่อไปนี้เราควรจะมาหัดหยุดคิดกันด้วยการนำาลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเลิกถึงพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆลองทำดูสักวันนะ่ะ ตื่นขึ้นมานี้บอกวันนี้จะไม่คิดอะไรจะคิดแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวดูซิว่ามันจะดีหรือไม่ดีรับรองได้ว่าถ้าทำได้แล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลักเราหวงเราห่วงได้อย่างง่ายดายอย่างสบายแม้แต่ร่างกายนี้ก็ทิ้งได้ไม่เดือดร้อน ถ้าใจมีความสุขแล้วใจไม่ต้องพึ่งร่างกายที่เราเดือดร้อนกันเพราะว่าเรายังต้องอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นจะตายจะอยู่จะไม่อยู่เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้วนั่นเองเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความสงบของใจ นี่แหละคือเป้าหมายของการมาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเรารู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเรารู้จักวิธีที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดรู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำรรทุกวันพระนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาคือตามวันพระตามทุกวันพระนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังที่ทรงตัดในภาษาบาลีว่ากาเลนะธรรมะสวานังเอตัมมังกัลมุตตมังจึงขอให้ท่านจงนำเอามงคลอันยิ่งใหญ่นี้ ไปเจริญไปปฏิบัติเพราะการฟังอย่างเดียวยังไม่ทำให้เกิดมงคลขึ้นมาการจะเกิดมงคลขึ้นมาได้นี้ต้องนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเช่นวันนี้จะลองหยุดคิดสักวันหนึ่งดูดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้หรือไม่ถ้าเราไม่พิสูจน์เราจะไม่รู้เหมือนกับยาที่วิเศษขนาดไหน ถ้าหมอให้มาแล้วเราไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้วิเศษหรือไม่แต่ถ้าเรารับประทานแล้วทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราไม่อยู่นี้หายไปหมดเราก็จะรู้ว่าเป็นยาที่วิเศษแล้วเราก็อยากจะกินแต่ยายชนิดนี้เพียงอย่างเดียวทันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาที่จะมารักษาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้หมดไปที่จะรักษาให้ใจนี้มีแต่ความสุขความสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดขอให้จงนำเอาไปทดลองกระทำกันดูรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาใจและบุญกุศล